เป็นคู่เวรไม่ได้เริ่มจากคนสองคนแต่ตั้งต้นจากโทสะตัวเดียวคู่บุญคือคนที่อยู่ด้วยแล้วมีแก่ใจอยากพูดอะไรดีๆทำอะไรดีๆต่อกันจนเอาชนะความคิดเล็กคิดน้อยแบบมนุษย์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 ถามว่าทำไมถึงยังต้องทนอยู่ด้วยกันก็มีสารพัดเหตุผลที่น่าจนใจจริงๆโทสะละทิฏิมานะอันเป็นฐานที่มั่นของภาวะคู่เวรไม่อาจสลายตัวได้ด้วยคำขอร้องไม่เคยฟังเหตุผลเป็นคำคำและไม่ได้ต้องการการยอมอ่อนข้อให้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 มีสามัญสำนึกเข้าที่เข้าทางแต่พอได้อยู่กับผู้หญิงที่สติดีกว่าคิดอ่านเป็นระบบ ก, กว่าที่สาคัญคือเยือกเย็นคงเส้นคงวากว่าก็อาจเกิดความรู้สึกว่าด้อยกว่าพอนานเข้าสามัญสำนึกเลยเสียสูนกลายเป็นหงุดหงิดง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิมเหมือนผู้หญิงเสเอง